สร้างความสังเวชสลดใจวิธีสร้างความสังเวชสลดใจนี้อาจจะตรงอาจจะตรงกันข้ามกับความรู้สึกของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกทั่ ว, วไ ป, ประดับปกติแล้วเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจะมีความสุขได้เราจะต้องมีความรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่น่าพิรมต่างต่า ง, างเหมือนกับ มีผู้แนะว่าคนที่อยู่ในโลกนี้ไม่ควรที่จะปล่อยตัวปล่อยใจท้อแท้เบื่อหน่ายต่อโลกจนเกินไปนักจะต้องเป็นคนคอยปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอถ้าแก่ก็อย่ายอมแก่ถ้าหากว่าเมื่อแกแล้วยอมแก่ก็ชีวิตก็หมดความผาสุขจะต้องสร้างชีวิตให้สดชื่นอยู่แต่ว่าในทางธรรมนั้น พระพุทธองค์ให้เราเนี่ยรับรู้รับทราบความจริงที่ว่ารับทราบความจริงเนี่ยคือความจริงของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วบางทีก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเนี่ยเป็นความจริงของมนุษย์เราจะไม่ยอมรับความจริงหรือเราจะฝืนธรรมชาติสต่เพียงใดก็าตามก็ฝืนไปได้ไม่นานอาจจะไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวเช่น ความแก่ปรากฏล้วก็อาจจะกลบเกลื่อนความแก่ได้กลบได้แต่ก็กลบได้ชนิดที่ไม่หนักหนาอะไรนะักซึ่งบางทีกลบที่นี่ก็ไปโปรที่นั่นกลบที่นั่นก็มาโปรที่นี่ความแก่ก็คอยจะปรากฏอยู่เสมอเราอาจจะทำได้กลบเกลื่อนได้แต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วนะ่ะเราทำไม่ได้แม้ว่าคนแก่บางคนจะทำตัวเป็นคนหนุ่มคนสาวแต่แค่ไหนก็ตาม ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องของวัยเรื่องของความเก่าข่ําคล้าในสังขป ธ, ธรรมเนี่ยย่อมมีอยู่ทำที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยแล้วก็ต้องเสื่อมโทรมไปใครจะไปฝืนสังขารให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาก็ฝืนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงส่วนนี้การยอมรับความจริงก็คือจะต้องสร้างความสังเวชสดใจว่าเราเกิดมา ชีวิตขอเราที่เกิดมานี้ก็มีแต่จะบ่ายหน้าไปสู่ความชราคือความแก่และจะบ่ายหน้าไปสู่ความตายในที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้เลยที่จะมาป้องกันความแก่และความตายของเราไว้ได้ทางการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ก็แสนจะเป็นทุกข์นอกจากทุกข์ที่เราต้องแก่ต้องตายแล้วเรายังเป็นทุกข์เรื่องจุกจิกอีกตั้งหลายหลายเรื่องซึ่งความทุกข์เราเนี่ย ถ้าหากว่าตราบได้เรายังเกิดอยู่บ่อยๆอย่างนี้เราก็หนีความทุกข์เ่าเนี่ยไม่พ้นเราจะปฏิบัติตอนเพื่อพ้นจากทุกข์และสิ่งที่จะช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ได้ก็คือกระสินที่วางอยู่เบื้องหน้าเรานี้ที่เราจะใช้เพ่งเพื่อที่จะทําตนนี้ให้พ้นจากความทุกข์เมื่อเรานึกอย่างนี้แล้วจิตจะสงบ เพราะการสร้างความสังเวชปรดใจให้เกิดขึ้นนั้นก็คือสร้างความสงบให้แก่จิตเมื่อจิตสงบแล้วก็เป็นจิตที่ควรแก่การงานในการที่เราจะโน้มน้าไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาได้เพราะจิตสงบแล้วเราจึงจะทอดสายตาลงสู่ดวงกสิน mm hmm. เมื่อเพ่งสายตาลงสู่ดวงกสินแล้วสร้างความบริกรรมในใจการสร้างความบริกรรมในใจเนี่ยก็คือสร้างสมมุติบัญญัติว่าอันเนี้ โลกเขาสมมติเรียกกันว่าดินโลกสมมติว่าเนี่ยคือดินเรารู้ว่าเนี่ยคือดินเราก็ต้องบริกรรมอันเนี้ว่าเป็นดินโดยสร้างความรู้สึกในใจว่าเบื้องหน้าพวกเราเนี่ยคือดินเป็นปฐวีกรสินเราต้องบริกรรมในใจว่าปฐวีกสินังปฐวีกสินังหรือจะใช้ภาษาทไทยก็ได้ว่า ดินดินดินบริกรรมดินเนี่ยตลอดเวลาไม่ต้องไปนึกถึงอย่างอื่นให้นึกถึงดินอย่างเดียวเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของดินอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของความสมหวังเรื่องของความผิดหวังเรื่องของความทุกข์เรื่องของความสุขในอดีตหรือเรื่องในอนาคตไม่เกี่ยวกับเรื่องของดินระหว่างนี้เราไม่ต้องเป็นนึกถึงระหว่างนี้เราจะปฏิบัติ เรื่องอดีตอนาคตห้ามนึกถึงอย่าไปคิดอย่าไปนึกถ้าหาว่าห้ามไม่อยู่จิตยังคิดยังนึกอยู่ก็ขอให้เราบริกรรมดินให้แต่ชั้นคิดเข้าอย่าให้มีช่องว่างบริกรรมคำว่าดินดินดินเนี่ยให้ติดต่อกันมากมากแล้วจิตก็จะไม่ตกไปสู่อดีตไม่ตกไปสู่อนาคตแต่จะอยู่กับปัจจุบันคือดินเท่านั้นการปฏิบัติจึงจะเกิดผลเพราะว่าการสร้างสมาธิให้กัจิตนี้ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคเบื้องต้นก็คือเรื่องการที่จะควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เราปฏิบัติได้อย่างไรเพราะว่าบางทีปากบริกรรมหรอกแต่ว่าใจมันไม่ได้อยู่ที่นี่ใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกับเราบริกรรมว่าพุทโธธรรมโมสังโฆยุบหนอะพองหนอแต่ว่าจิตตีเรื่องหนึ่งแหละไปเรื่องในอดีต เรื่องไอ้นั่นก็ยังไม่เรียบร้อยไอ้นี่ก็ยังไม่เรียบร้อยลูกคนนั้นเป็นอย่างนั้นหลานคนนี้เป็นอย่างนี้ลูกนี่คนนั้นยังไม่ได้เอาดอกเบีย้ยมาส่งอะไรต่างๆเนี่ยคิดไปเรื่อยร้อยแปดพัญญางถ้าหากว่าปฏิบัติอย่างนี้เสียเวลาปฏิบัติเรานั่งไปชั่วโมงหนึ่งก็เสียเปล่าแต่บอกระหว่างปฏิบัตินี่ต้องไม่คิดอดีตอนาคตทีนี้วิธีที่จะไม่คิดก็คือต้องบริกรรมเนี่ยให้ติดต่อกัน สติที่ไปกำหนดอารมณ์นี้จะต้องติดต่ออยู่ตลอดเวลานั่นแหละจึงจะบังคับจิตได้ถ้านั่งไม่สงบคิดถึงเรื่องอื่นก็ต้องบริกรรมให้ถี่ขึ้นแล้วก็มีสติเนี่ยกำหนดอยู่ตลอดเวลาอารมณ์จึงจะอยู่กับดวงกสินนะเมื่อเราบริกรรมลืมตาบริกรรมดินดินดินอย่างเนี้ยจนกระทั่งเราจําดวงกระสินได้แล้วแล้วเราก็ทดลองหลับตาลง พอหลับตาลงก็บริกรรมอยู่เสมอว่าดินถ้าหลับตาลงยังเห็นดวงกสินเหมือนกับลืมตานิมิตชนิดเนี้ท่านเรียกว่าอุกขหานิมิตเขาว่าอุกขหานิมิตนี่แปลว่านิมิตที่เหมือนที่เหมือนของเดิมนิมิตที่ติดใจที่สัญญาเกิดขึ้นจําได้เหมือนกับลืมตาเห็นเรียกว่านิมิตติดใจนะไม่ใช่นิมิตติดตา บางท่านบอกว่าอุคหะนิมิตคือนิมิตติดตานิมิตปมาติดทีตาไม่ได้เพราะว่าตาไม่เห็นรูปตานั้นเป็นตัวจักขู่ภาษาทรู้ไม่รู้อารมณ์แต่ว่าสิ่งที่รู้อารมณ์น่ะคือจักขู่วิญญาณหรือจิตและเจต ส, สิกเพราะฉะนั้นคําว่าอุคหะนิมิตเนี่ยจึงเป็นนิมิตที่เหมือน ก, นกันกับที่เราลืมตาเห็นหลับตาก็ยังเห็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจําดวงกระสิงได้เหมือนกับลืมตาเห็นแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องลืมตาเพ่งหลับตาบรีกรรมอยู่ตลอดเวลาว่าปฐวีกัสินงังปฐวีกสินงังดินที่เราเคยเพ่งอยู่เนี่ยก็จะอยู่กับในที่คือน้อมเอาดินเนี่ยมาอยู่กลางกายเราอย่าให้อยู่ภายนอกภาพที่เห็นจะต้องอยู่กลางกายตลอดเวลาอย่าให้อยู่นอกกายเพราะถ้าอยู่นอกกายแล้วนี่การบังคับนิมิตยากบางทีนิมิตเนี่ยมันเลื่อนได้ เราหลับตานี่จะเห็นว่ามันลอยไปลอยมาไม่คงที่ถ้าเราเอาไว้ในกลางกายแล้วจะหยุดนิ่งอยู่กลางกายแล้วจิตเราก็เพ่งกลางนิมิตนั้นบริกรรมวัฏทวีกสินางปัฏวีกสินางนิมิตอันนี้จะใสสะอาดขึ้นตามลําดับจากดินแปลสภาพใสเหมือนกระจกฟ้าจากกระจกฟ้าเป็นกระจกใสาจากกระจกใสก็จะมีรักษมีแผ่โดยรอบใสขึ้นจนกระทั่งคําว่าดินที่เป็นสมมติบัญญัติเนี่ยหายไปมีแต่นิมิต ที่เป็นปฏิภาคานิมิตถ้าหากว่าปฏิภาคานิมิตนี้ปรากฏแล้วแม้ต้องรักษาประคับประคองกันอย่างมากทีเดียวเพราว่าปฏิภาคานิมิตนี่มีคุณค่าเหลือเกินสําหรับผู้ที่ปฏิบัติเพราะนิมิตเราเนี่ยเมื่อได้แล้วหายได้ถ้าปรากฏาแล้วเราไม่รู้จักควบคุมกระจางหายไปเหมือนกับอุคานิมิตเหมือนกันถ้าเราลับตาเห็นแล้วถ้าเราไม่รู้จักควบคุมแล้วนิมิตตัเรเนี่ยหายไปได้ เหตที่ทําให้นิมิตหายไปเนี่ยบางทีก็เกี่ยวกับอุปยาบทเพราะคนเราไม่ใช่จะปฏิบัติกันได้24ชั่วโมงเราอาจจะนั่งปฏิบททัติเพียง2ชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนอุปยาบทเป็นยืนระหว่างยืนนี้จิตก็ต้องควบคุมอยู่กับนิมิต ท, ที่ได้จะปล่อยใจไปในเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้ทพรานั้นจะต้องอยู่กับนิมิต ท, ที่ได้จะยืนจะเดินระหว่างที่เดินนี้ก็ต้องเดินด้วยความสะดวกท่าที่ที่เราเดินไปนั้นเกิดไปสะดุด เราตกใจในระหว่างที่สะดุดหรือว่าเกิดล้มลงนิมิต ท, ที่เราได้นั้นก็หายไป ท, ทันทีต่อไปจะไปสร้างให้เกิดอีกบางทีต้องใช้เวลาตั้งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์บริกรรมกว่าสมาธิจะดีกว่านิมิตอันนี้จะปรากฏเสียเวลาอีกตั้งหลายวันเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเมื่อได้อุกขะะนิมิตแล้วเนี่ยควรจะมีรองเท้าแตะอยู่คู่หนึ่งสําหรับสวมใส่ มีไม้เท้าอันหนึ่งสำหรับวยันกายอันนี้คงจะมุ่งเฉพาะผู้ที่สูงอายุควรจะมีไม้เท้าอันหนึ่งรองเท้าแปะคู่หนึ่งเวลาเดินเหินไปไหนก็จะได้อาศัยรองเท้าอาศัยไม้เท้าเนี่ยยันกายแล้วนิมิตอันนี้ก็จะไม่ปรากฏอาจจะไม่หายไปเป็นสปายยะคือระหว่างที่เราอาจจะออกจากปฏิบัติแล้วจะต้องรับประทานอาหารจะต้องอาบน้า ต้องเปลี่ยนอริยบทเป็นยืนเป็นเดินเป็นนอนแต่อริยบทเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทิ้งอารมณ์ปฏิบัติเราอาจจะต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานั่งบริกรรมอยู่เสมอเพื่อรักษานิมิตอันนี้เอาไว้จะทำอะไรก็ได้แต่ว่าจิตนี้ต้องมีสมาธิอยู่เสมอเนี่ยอุกขะานิมิตปฏิภาษนิมิตนั้นจึงจะคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปเมื่อเราได้ปฏิภาษนิมิตแล้ว สมาธิจิตที่เราได้ระหว่างที่เราได้อติภาคนิมิตเนี่ยเราจะวินิจฉัยได้อย่างไรว่าสมาธิขั้นนี้ถึงฌานแล้วหรือยังเป็นอุปปจารสมาธิหรือเป็นอัปปนาสมาธิหลักวินิจฉัยสมาธิทางด้านสมถ า, านี่ท่านให้เอานิมิตเนี่ยเป็นหลักวินิจฉัยว่าคนไี้มีสมาธิถึงขั้นไหนเฉียดชานเข้าไปแล้วหรือยังหรือถึงปฐมฌานแล้วหรือยัง ให้เอานิมิตนี้นิมิตนี้ก็คือตัวปฏิภาคะนิมิตปฏิภาทะนิมิตเนี่ยคือนิมิตที่เราได้มาแล้วใสสะอาดเป็นวสีเราสามารถที่จะขยายแผ่กว้างออกไปโดยรอบได้อย่างกว้างขวางสามารถย่อให้เล็กลงได้จนถึงที่สุดแล้วก็ขยายออกย่อให้เล็กลงแผ่ขยายออกคําว่าย่อคําว่าแผ่เนี่ยคือใช้จิตใช้จิตเนี่ยแผ่และความสว่างนี้จะแผ่กว้างไปจุดขอบจักรวาล หรือเราจะใช้จิตบังคับความสว่างเนี่ยให้เล็กลงซึ่งเป็นนิวิตที่เราได้เฉพาะบุคคลทำให้เป็นวสีอย่างนี้ตลอดเวลาจิตขณะนั้นใกล้ชานเข้าไปแล้วถี่เรียกว่าอุปปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่ใกล้ชานเฉียดอัปปนาไปถ้าเราทำปฏิภาคะเนี่ยให้เป็นวสีคือขยายให้กว้างได้ให้เล็กลงได้คล่องดีแล้วโดยไม่สูญหาย จิตจะมีสมาธิสูงขึ้นถ้าภายในจิตนั้นประกอบด้วยวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกตาขณะนั้นเราได้ปฐมฌานแล้วคำว่าประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเนี่ยคำว่าวิตกนี่แปลว่าการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หมายถึงจิตเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่เป็นสมาธิที่เป็นปฏิภาณิมิตอยู่ตลอดเวลาวิจารณ์คือพิจารณาอารมณ์ปีติคือความอิ่มเอิบต่ออารมณ์ ความสุขคือความสุขที่เราได้ในอารมณ์นั้นเอกสตาคุอความตั้งมั่นในอารมณ์นั้นเนี่ยโดยไม่หวั่นไหวถ้าประกอบด้วยองค์ห้านี้เราได้ปฐมฌานแล้วเนี่ยเป็นหลักวินิจฉัยว่าเราถึงอัปปนาสมาธิแล้วหรือยังเพราะคาว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยหมายถึงสมาธิขั้นปฐมฌานเป็นต้นไปถึงปัญจมฌานในขั้นนี้องค์ฌานนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ทั้งห้านี้ คือวิตกวิจารปีติสุขและเอกกคตาแต่ว่าสมาธิที่เราได้เนี่ยเป็นเป็นโลกียะสมาธิเป็นสมาธิขั้นโลกีสมาธิขั้นโลกีนี้เสื่อมได้ผู้ที่ได้สมาธิขั้นนี้จําเป็นต้องรู้จักรักษามีนะหลายท่านที่ทดลองไปทําสมาธิดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเคยมีแสงสว่างปรากฏ แล้วก burnt, at, and and again, Christ, again, ic, ็เห็นเป็นระพุทธรูปใสสะอาดที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ดีใจพอเห็นองค์พระเขาดีใจองค์พระก็หายไปหรือเห็นแสงสว่างก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่อะไรแล้วเสร็จแล้วแสงสว่างนั้นก็หายไปอันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าผู้ที่ไปปฏิบัติเนี่ยไม่รู้หลักวิชาก่อนถ้าหากว่ารู้หลักวิชาก่อนแล้วจะรู้จักวิธีรักษาวิธีปฏิบัติต่อนิมิตอันนั้นว่าเมื่อนิมิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรปฏิบัติต่อนิมิตเนี่ยอย่างไร ใช้นิมิตเป็นประโยชน์อย่างไรเพราะว่าผู้ที่ทําสมาธินี่ถ้าหากว่าสมาธิไม่ดีแล้วนิมิตอันนี้จะไม่ปรากฏถ้าสมาธิดีจริงจะปรากฏบางทีก็ตัวบาลอยขึ้นเหมือนกับว่าจะลอยไปในอากาศบางคนก็เลยตกใจไม่กล้านาั่เพราะว่าตัวมันจะลอยขึ้นทุกทีบางคนก็ต้องเอามือรีบไฝฟ้าอะไรไว้ก่อนว่ากัวมันจะลอยไปแล้วก็ลอยไปไม่ตลอดจะตกตุ้บลงมาก็จะเจ็บอะไรนี่ความจริงอันนี้ยเป็นอาการของ ของสมาธิมันไม่ได้ลอยจริงๆหรอกแต่ว่าความรู้สึกว่าแหมตัวเนี่ยเบาคล้ายๆกับจะลอยไปจิตเบาที่จิตเบาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตในขณะนั้นมีกิเลสน้อยมีกิเลสน้อยแล้วก็จิตเราจะรู้สึกเบาเป็นจิตตะระหูตาเป็นกายรหูตาจิตตะระหูตาถ้าหากว่าจิตของเราไม่มีสมาธิ ด, ดีหรือว่าไม่ผ่องใสแล้วจิตจะไม่เบากายจะไม่เบา จะรู้สึกหนักทั้งร่างกายทั้งจิตใจที่เราบ่นว่าแม้หนักใจเหลือเกินไอคําว่าหนักใจเหลือเกินเนี่ยเพราะกิเลสมันมีมากเหลือเกินมันมีมากมันก็ทําให้ใจหนะักแล้วกิเลสมันถ่วงคนอยู่แล้วกุศลเนี่ยทําให้ใจเบาถ้าเราปฏิบัติจิตเราผ่องใสามากขึ้นทารายเรารู้สึกโปรง่งรู้สึกเบาแล้วก็ระหว่างที่เรามีความปลอบประโลใจมีการเบากายอย่างเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นถ้าเดินจงกรมก็เหมือนกับว่า เรามีเท้าแตะพื้นโลกเพียงแผ่ๆเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเราอยู่ในอวกาศมันจะเห็นว่าวัตถุที่อยู่ในอวกาศที่พ้นจากความดึงดูดของโลกเนี่ยเบาวิวถามพวกที่ไปอวกาศจะให้สัมภาษณ์ว่าระหว่างที่ยูพ้นภาวะความดึงดูดของโลกแล้วระหว่างที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันเป็นสุขละเกินมันสบายเป็นสุขโยนอะไรไปมันก็ลอยไฝฟค้าในอากาศ นี่เพียงแค่นำร่างกายให้พ้นจากความดึงดูดของโลกนะยังมีความสุขถึงเพียงนี้ถ้าหากว่าเรายกจิตให้พ้นจากความร้อยรัทของกิเลสได้เราจะมีความสุขแค่ไหนเนี่ยเทียบกับความสุขของนักบินอวกาศเราก็จะเห็นแม้ที่ถ้าหากว่าจิตของเราพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัทได้แล้วเราคงจะมีความสุขมากกว่านี้จะรู้สึกเบาร่างกายก็จะเบาจิตใจก็จะเบา ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเวลาใดที่เราทำจิตของเราให้ผ่องใสจะเป็นเวลาทำสมาธิหรือสร้างผุสลอันใดก็ตามจะรู้สึกว่าทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยไม่เกิดความหนักหน่วงอะไรมากไม่มีอะไรมาท่วงใจให้หนะักใจจะรู้สึกเบาตอโปร่งขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นระหว่างทำสมาธิถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นก็อย่าคิดว่าเราจะลอยไปในอากาศ ไม่รอยอ่ะอาตมาก็เคยเป็นทีนอนนอนเนี่ยแล้วก็บริกรรมกำหนดลมหายใจแบบตัวเกิดเบาจะลอยขึ้นบางทีต้องเอาปลายเท้าเกี่ยวเตียงไว้กลัวว่ามันจะลอยขึ้นไปแล้วก็ตกตูกลงมาจะเจ็บไม่ไม่เพราะ ว, ว่าตอนนั้นไม่คยรู้เรื่องการปฏิบัติสไรแม้เกี่วเว้ยแค่แน่นกลัวมันจะลอยไปอย่างนี้ก็มีแล้วก็ท่านที่ปฏิบัติใหม่ๆมักจะพบบ่อย ก็อย่าตกใจว่าเนี่เป็นแต่เพียงปีติท่านั้นก็ปีติที่ทําให้กายเมาเนี่ยมีแต่ว่าถ้าเมาถึงที่สุดแล้วก็ลอยได้จริงๆแต่ว่าลอยไม่สูงอะแล้วก็เวลาที่จะลงมาก็ไม่ใช่ปุบปับลงมาตกตุบลงมาเฉยเฉยไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะค่อยๆลงท่านจะได้ทราบข่าวเมื่อไม่นานมานี้ที่ว่ามีสมณี เ, เดินจงกรมทางอุทยาเนี่ยหลายปีมาแล้วระหว่างที่ ทางวัดมหาธาตุได้เปิดกรรมาฐานใหม่ๆเนเรยลอยขึ้นไปบนยอดพระปรางได้ตื่นเต้นเนี่ยว่าเนรเหาะได้ตามจริงอํานาจปีติที่เดินจงกรมทําให้ตัวลอยขึ้นไปได้แต่ว่าเวลาลงต้องปีนพระปรางลงนะเตอนนั้นสมาธิตกแล้วเพราลอยขึ้นไปแล้วสมาธิตกต้องปีนลงแต่ว่าเวลาลอยขึ้นไปเนี่ยไปได้เพราะอํานาจปีติถ้าเรานึกถึงอะไรในขณะนั้นแวบหนึ่งร่างกายจะลอยไปถึงจุดที่เรานึกถึง เช่นสมมติว่าท่านเดินจงกรมตัวลอยท่านนึกถึงองค์พระปฐมเจดีย์ตัวท่านนี่จะไปอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์จะลอยไปแต่ว่าขาจับพระกรท่านต้อนั่งรถเมย์กลับถ้าจะถ้าจะกลับมาให้ก็ต้องไปเดินจงกรมที่องค์พระประฐมเจดีย์ให้เกิดปีติแล้วก็นึกถึงจุดที่ท่านทำแล้วก็ลอยกลับมาได้ขั้นนี้ขั้นปีติเท่านั้นยังไม่ใช่ถึงขั้นอภิญยาถึงกับเหาะได้ถ้าเหาะได้เร็วกว่านี้อีกเนี่ยมีเคยมีปรากฏแล้วก็มีปรากฏบ่อยๆ เนี่ยเ ป, เป็นเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปฏิบตัติมักจะพบกันอย่างนี้สมาธิอย่างเนี้ยสแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ปฏิบัตินั้นมีสมาธิเข้าขั้นเริ่มจะดีแล้วถ้าหากว่ารู้จักรักษาสมาธิอันนี้ก็ไม่เสื่อมสูญเพราะฉะนั้นวิธีรักษาสมาธิเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนว่าเมื่อสมาธิได้แล้วเราจะรักษาอย่างไรดีกว่าที่ไปปฏิบัติแล้วเกิดปัญหาขึ้นจะต้องไปถามว่าเอ๊เกิดอย่างเนี้ยจะทํำยังไง ซึ่งจะทำให้เราต้องมาเริ่มต้นใหม่เสียเวลาอีกและถ้าเราไปเริ่มต้นปฏิบัติใหม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้อีกยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะว่าโลภะเกิดซะแล้วอยากจะได้อยากจะเห็นอย่างนี้อีกเนี่ยก็เป็นความโลภขึ้นเมื่อเป็นความโลภขึ้นความโลภอันนี้ก็เป็นนิวรณ์เราจะปฏิบัติสมาธิเช่นนี้ให้เกิดอีกก็ไม่ได้แล้วฉะนั้นต้องศึกษาเสียก่อนว่าเมื่อเราได้สมาธิจิตแล้วเนี่ยเราจะรักษาสมาธินี้ได้อย่างไร ท่านพุทธโคสาจารย์ท่านได้รสจนาถึงผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็ได้สมาธิท่านแนะว่าเราจะต้องเว้นจากเหตุเหตุอันไม่เป็นสปายะโดยประการทั้งปวงต้องงดเว้นหมดเหตุอันไม่เป็นสปายะเนี่ยคือเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกไม่สบายขึ้นจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องปัจจัยสี่ก็ตามต้องเว้นหรือในเรื่องของ คนที่เราอยู่ร่วมกันพรตามต้องเว้น เ, เหตุนั้นไม่เป็นสปายะเนี่ยมีอยู่เจ็ดอย่างคือหนึ่งอาวาสอาวาสเนีาา่ยท่านมู่หมายเฉพาะพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยต้องอยู่พระอารามต่างๆเข็นตาวัดวราอารามต่างๆเนี่ยเรียกว่าอาวาสข้อสองโคจรข้อสามถ้อยคำโคจรก็คือที่ที่เราท่องเที่ยวไปถ้อยคาก็คือคำพูด 4บุคคลห้าโภชนะหกฤดูเจ็ดียาบททั้งเจ็ดอย่างเนี่ต้องต้องสะดวกสบายถ้าหากว่าไม่สะดวกสบายแล้วท่านบอกว่าจะทำให้สมาธิเนี่ยหายไปถึงเราได้สมาธิมาแล้วสมาธินั่นก็จะเสื่อมไม่คมทนเพราะเป็นโลกิยะไม่เหมือนกับสมาธิที่เป็นโลกุตระตสมาธิที่เป็นโลกุตระรำเช่นสมาธิของพระอริยเจ้าแล้วไม่เสื่อม ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเรายังมีกิเลสอยู่ยังเป็นปุถุชนอย่างเนี้ยสมาธิทําได้แต่ว่าสมาธินั้นมีวันเสื่อมได้เกิดและจะเสื่อมได้เราก็ต้องรู้จักวิธีรักษาว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยเราจะรักษาอย่างไรสมาธิเนี่ยจึงจะไม่เสื่อม เ, อเรื่องของอาวาสนี่ท่านบอกว่าเราไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามหรือในพระอารามใดก็ตามสถานที่ที่เราไปอยู่นั้น จิตของเราต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นสถานที่นั้นไม่เป็นสปายะจิตตั้งมั่นเนี่ยคือจิตนั้นจะต้องมีสมาธิสูงขึ้นและก็ทำให้เรามีสมาธิมั่นคงสถานที่นั้นจึงเป็นสถานที่ที่ควรอยู่เป็นสปายะแก่เราทนี้โครจรหรือโครจรขามที่สบายกับไม่สบายเนี่ยคือทางเดิน หรือทางที่เราจะต้องผ่านไปผ่านมาในเรื่องเกี่ยวกับเสนาสนะที่เราไปอยู่โคจรคามที่สบายก็คือโคจรคามที่ไม่ไกลนะักแล้วก็ไม่ใกลนะ้นักถ้าบอกว่าประมาณห้าร้อยชั่วคันธนูหรือหนึ่งพันคันธนูใช้ได้ เพราะว่าพระสงฆ์นี่ถ้าหากว่าไปอยู่ไกลเกินไปเวลาไปบินถมาตในบ้านต้องเดินไกลเนี่ยสมาธิก็เสียนิมิตอาจจะหายถ้าพระจะต้องอยู่ห่างจากหมู่บ้านจากชุมชนเนี่ยอย่างน้อยห้าร้อยชั่วคันธนูหรือหนึ่งพันชั่วคันธนูคันธนูหนึ่งนี่ก็เห็นถ้าจะประมาณไม่เกินสองเมตรคันธนูหนึ่งหรืออาจจะหนึ่งเมตรห้าสิบอะไรเนี่ย ถ้าห้าร้อยทันธูก็ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรหรือหนึ่งันเมตรอะไรเหล่านี้ระยะทางซึ่งเป็นระยะที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะอย่างนี้เรียกว่าโครจะระคามที่เป็นสปายะสำหรับท่านทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะอยู่ไกลาจากสถานที่ที่เราจะต้องพึ่งพาสายเรื่องปัจจัยสี่จนเกินไปนักอยู่ใกล้เกินไปก็ไม่ดีโยมบางคนจะไปปฏิบัต กรรมฐานก็ถามกันว่าใกล้ๆกับสํานักมันมีตลาดไหมเพื่อจะไปหาอะไรรับประทานได้ง่ายหน่อยใกล้ตลาดได้ที่ไหนกันถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติใกล้ตลาดสมาธิก็ไม่เกิดเรามีความสุขจริงอะ่ะมีความสุขในเรื่องอาหารระหว่างไปปฏิบัติอาจจะมีความสุขจริงคือน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าสมาธิตกลงเนื้อจเจริญแต่ว่าจิตไม่จเจริญถ้าหากว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่ ใกล้เกินไปก็จะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายทําให้การปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ผลก็ต้องดูระยะพอเหมาะพอควรใกล้เกินไปก็ไม่ดีใกล้เกินไปก็ไม่ดีดต้องให้เป็นสปายะการคมนาคมต้องสะดวกอย่างเราจะไปอยู่ในป่าในดงเหมือนพระก็ไม่ได้โรพระเนี่ยไปอยู่ได้สมัยอาตมาปฏิบัติเนี่ยต้องต้องเดินจากทางรถ ไ, ไปไปที่ปฏิบัตินี่ต่าง สิบกว่ากิโลเมตรประมาณสิบสองกิโลเมตรถ้าเดินนะต้องอยู่ระยะที่ไกลามากแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดินประจําทุกวันเดินประจําทุกวันนี่ก็คือเส้นทางที่จะไปบินธบาศว่าอย่าให้ไกลนักเราเดินบินทบาศจากที่อยู่ไม่ควรจะไกลกว่าห้าร้อยชั่วคันธนูหรือประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรหนึ่งพันเมตรอะไรเนี่ยเดินไปเดินมาก็เป็นระยะทางที่พอสมควรไม่ไกลยยเกินไปนัก สถานที่เช่นนี้เป็นสถานที่ที่สบาย <c oughs> นี่หมายถึงโครจรคามอันเป็นสบายยะประการที่สามคือถ้อยคําถ้อยคํานี่ก็มีอยู่สองประเภทคือถ้อยคําที่สบายกับไม่สบายเราจะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยฟังคนพูดบางทีบางคนพูดที่เรววาฟังแล้วมันขัดขัดหูฟังแล้วไม่เข้าหูฟังแล้วแม้กลุ่มใจแทนอะไรทนองเนี่ยคือฟังแล้วไม่สบายใจเราจะพบว่า เป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้อยคําอันใดก็ตามที่เราฟังแล้วไม่สบายถ้อยคําเช่นนี้อย่าไปฟังถ้อยคําที่เราฟังแล้วสบายเราจึงจะฟังอันนี้เราพูดถึงถ้อยคําที่ปรากฏอยู่ทั่วไปไม่ใช่หมายถึงถ้อยคําที่เป็นเรื่องของโลกรธรรมถ้าถ้อยคําที่เป็นโลกรธรรมถ้อยคําที่สบายคือคําสรรเสริญเยินยอถ้อยคําที่เอาอกเอาใจคอยพเน่าพนออยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราสบาย เหมือนกับคนที่เถูกคนเอาอกเอาใจบ่อยๆถ้าหากว่าไปอยู่สถานที่ใดสถานที่นั้นไม่มีคนพูดยกยอปอปั้นหรือคอยพูดพนาพนอเอาอกเอาใจอยู่เราก็ไม่อยากจะ อ, อยู่ว่าแม้สถานที่นี้ไม่มีใครพูดเอาใจเราเลยแม้แต่นิดเดียวอันนั้นเป็นเรื่องของโลกธรรมเราถือว่าคําสรรเสริญเดินยอนั้นเป็นพ้อยคําที่ดีฟังแล้วมีความสุข แต่ถ้อยคําดินทาว่าร้ายคําพูดที่หยาบคายคําด่าทออย่างนี้เป็นถ้อยคําที่ไม่สบายฟังแล้วเราก็เป็นทุกข์เราไม่อยากจะฟังส่วนถ้อยคําที่เป็นสัพพายะที่เป็นอาสัพพายะในที่นี้ท่านหมายถึงถ้อยคำอ น, นั้นต้องเป็นเครียกว่าตัดท้าววัตถุถ้อยคํานั้นต้องประกอบด้วยอัตถากและพยัญชนะมีสารประโยชน์ฟังแล้วสบายใจ ไม่ใช่ฟังแล้วไม่สบายใจเพราะคำพูดของคนนี่บางคนก็พูดดีมีอัตถะมีพยัญชนะแต่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจฟังแล้วรู้สึ ก, กจิตใจไม่สบายเราก็อย่าไปฟังคำพูดเช่นนี้จะต้องฟังคำพูดที่ฟังแล้วเราสบายใจเนี่ยต้องเว้นจากถ้อยคำที่ไม่สบายมาสู่ถ้อยคำที่สบายประการที่สี่บุคคลบุคคลในที่นี้คือ บุคคลที่เราไปคบหาสมาคมเนี่ยจะต้องคบบุคคลที่มีศีลมีธรรมเว้นจากคนทุกศีลเว้นจากคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาต้องคบกับคนที่เขามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่สะอาดที่บริสุทธิ์เราจะต้องคบค้าสมาคมกับบุคคลประเภทนี้เนี่ยต้องเลือกคบบุคคลด้วย ประการที่ห้ากับที่หกคือโภชนะกับอุตุอุตุเนี่ยหมายถึงอากาศ่หาหมายถึงอากาศโภชนะต้องสบายในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องไม่เดือดร้อนเรื่องของโภชนะเพราะว่าบางคนนี่เรื่องโภชนะเนี่ยเกี่ยวกับนิสัยของคนบางคนชอบรับประทานหวานบางคนชอบเปรี้ยว บางคนชอบเผ็ดบางคนชอบจือดอะไรเหล่าเนี้ซึ่งถ้าหากว่าไปอยู่ในสถานที่นั้นเกิดคนเขาทาอาหารส่งเราอยากจะรับประทานเปรี้ยวก็ไม่ได้รับประทานเปรี้ยวเราคนปฏิบัตินี่เขาห้ามหูงหาอาหารรับประทานเองควรจะมีคนอื่นเนี่ยคอยส่งให้มีเป็นโตให้แต่เกิดวันนี้อยากจะรับประทานเปรี้ยวแต่ว่าอาหารน่ะเค็มจัดอย่างนี้ไม่สบายแล้วจิตใจหมุดหมืดและสมาธิตกนี่อาหารเป็นเหตุ เราจะพบว่าคนที่มีจิตผันแปรเพราะอาหารเยอะแยะบางทีวันนี้แม่ครัวทําไม่ถูกปากโมโหหน้าสําหรับกับข้าวพังหมดบางทีกับสหรับทั้งสํำลับก็หยิบพุ่มไปซะบ้างบางทีไม่รับประทานเสียบ้างอะไรเหล่าเนี้ซึ่งก็เรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญทําให้จิตของคนเนี่ยผันแปรได้อาหารต้องเป็นสปายะด้วยสปายะก็คือจะต้องเป็นอาหารที่ถูกปากเรา ถกรถที่เรานิยมอยู่ว่าเรานิยมรถชนิดไหนเราก็ได้อาหารชนิดนั้นซึ่งอันนี้จะมาว่าอยู่ที่การบังคับใจตัวเองในทางพระนี่มีวิธีแก้วิธีแก้ของพระก็คืออาหารจะเป็นรถอะไรก็ตามต้องรับประทานทั้งหมดต้องฉันทั้งหมดแล้วก็ก่อนจะฉันก็จะต้องพิจารณาอาหารอันนั้นเสพก่อนให้เป็นปฏิกูลแล้วจึงจะขบฉันได้ ในวิธีแก้ในทางพระธรรมีอยู่ในทางพารวะก็ควรจะนึกอย่างนั้นเพราะว่าอาหารที่เราบริโภคลงไปเนี่ยมันก็อร่อยเพียงแค่ลําคอเท่านั้นเมื่อผ่านพ้นลาคอลงไปแล้วมันก็เหมือนกันจะเป็นรสอะไรก็ตามเหมือนกันหมดพระผ่านลําคอลงไปแล้วก็หมดอร่อยแม้เราจะเลือกสีสันวันนาวัดสีจะต้องอย่างนั้นสีต้องอย่างนี้แต่พราะอาหารที่มีสี